บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่ทรงจาแนกแสดงไว้โดยนัยตต่างๆนั้นเือสังเกตว่าเป็นการเรียนรู้สิ่งที่กล่าวโดยรวมคือนามรูปที่รับรู้โดยประสาทสัมัส ท, ทั้ง6 ึงการรับรู้ทั้งสองอย่างนั้นจะเกิดความรู้สึกแยกออกไปเป็นสามทางด้วยกันคือรู้สึกยินดีรู้สึกยินรายรู้สึกเฉยๆที่ก่อให้เกิดปัญหาภายในใจคนมากที่สุดก็คือเกิดขึ้นจากความยินดียินรายพอเกิดความยินดีขึ้นมากิเลสสายราคะสายโลภะ ก็จะเพิ่มพูนปริมาณมากจึงขึ้นใจจะไปกำหนดสิ่งที่ตนสัมผัสโดยความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านั้นน่าใคร่นะ่าปรารถนาน่าพอใจกำหนดว่ารูปสวยเพียงอย่างเดียวก็รูปมากมายกลายกองทั้งประเภทเดียวกันประเภทคล้ายคลึงกันประเภทที่มีจุดเหมือนจุดต่าง ก็จะมีการกำหนดแยกๆเอาไปด้วยประการต่างๆตัวนี้แสดงอาการให้เราเห็นเช่นการสะสมสิ่งที่เป็นรูปธรรมชนิดเดียวกันแต่ว่าต่างรูปแบบกันอย่างการสะสมเครื่องลายครามกะสมของเล่นต่างๆ ส, สะสมแสตมเป็นการแสดงลักษณะของอารมณ์ที่ผ่ายคว้าในสายของรูป บางครั้งก็จะมีความหลากหลายวิจิตติสดานใจก็จะกระสันอยากไปเรื่อยหาจุดจบไม่ได้เพราะไม่อาจจะตอบสนองให้รู้สึกมาเต็มมาอิ่มมาพอมาหยุดได้พอถึงจุดหนึ่งวัตถุที่เราต้องการมีจำนวนจำกัดแต่คนต้องการมากก็เือการต่อสู้เพื่อยื้อแย่งวัตถุเหล่านั้น ก็กลายเปนะ็ปนปัญหายากรรมในด้านต่างๆบางครั้งความรุนแรงก็จนถึงกับแม้ชีวิตก็เอารอดไว้ไม่ได้ซึ่งก็เป็นปกติธรรมดาที่มีอยู่ในสังคมโลกทุกยุคทุกสมัยเป็นกระแสะเลือนไหลของกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะนำไปสู่การยื้อแย่งนำไปสู่ศึกสงครามนำไปสู่การประหารประหารกันจนเราจะเห็นว่าอาการนั้นมีความรุนแรงมากขึ้น หมายความว่าปริมาณของกิเลสไม่ได้เพิ่มเฉพาะสายราคะหรือสายโลภะแต่เพิ่มสายโทสะสายโมหะขึ้นไปด้วยเพียงแต่ว่าจุดนั้นเป็นการเริ่มต้นจากโลภะแต่นั้นเองอีกสายหนึ่งนั้นถ้าเกิดความไม่ชอบมันก็จะมองไม่ชอบไปโดยลาดับจนในที่สุดมันเกิดอาการชิงชังแล้วก็ยายแวดวงออกไป เช่นว่าไม่ชอบคนหนึ่งไม่ชอบคนที่เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นไม่ชอบคนที่มีบ้านเมืองตลอดถึงประเทศเผ่าพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับคนเตนั้นแสดงอาการก็โทรสะก็กระจายออกไปเรื่อยไม่ชอบปัจจุบันยังไม่พอก็ขยายออกไปสู่อดีตอนาคตกลายเป็นอาการจองล้างจองผ่านกัน พอเกิดความคิดรุนแรงขึ้นมาก็ออกมาในรูปของการเขียนฆ่าทำลายล้างเช่นเดียวกันเ น, นหลักการทั้งหมดที่พระเจ้าทรงสอนก็ทรงแก้ไขปัญหาตรงนี้โดยพยายามสอนให้บุคคลรู้เห็นตามความเป็นจริงแต่การเรียนรู้ความจริงนั้นที่จริงไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะเราเกิดมาจากความมืดบอดคือเกิดมาจากกิเลสตัณหาเกิดมาจากอวิชชา โ, โรคตัปูกนั้นเราไม่รู้มากกว่าที่เรารู้และความรู้ของเราก็ไกลตัวเองออกไปโดยลาดับทำให้รู้จักตัวเองน้อยลงและรู้จกักข้างนอกเพิ่มขึ้นปนัญหาเกิดขึ้นแต่ตนก็แก้ไขปัญหาไม่ได้เพราะเราไม่รู้จักตัวเราเองวิธีการศึกษาที่พระเจ้าทรงวางไว้จึงเริ่มเรียนที่ตนเองให้เข้าใจที่ตนเองโดยท่องแท้ แล้วแก้ไขปัญหาที่ตัวเองให้ได้ก่อนเมื่อสามารถยืนหยัดได้โดยลำพังตนเองแล้วจึงเอื้อเพื่อเผื่อแผ่ไปแก้ปัญหาหแก่คนอื่นลักษณะความรู้สึกเหล่านี้เพิ่งสังเกตว่ามันขัดแย้งกับความรู้สึกเดิมของคนซึ่งชอบไปวุ่นวายเกี่ยวข้องชี้แจงตำหนิจีเจียนกล่าวหาบุคคลอื่นคือมองออกไปข้างนอก แด้คิดแต่จะแก้ปัญหาข้างนอกโดยไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเองการแก้ปัญหาแบบชาโลกจึงเพิ่มปัญหาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีการสะสมปัญหาต่างๆไว้พราะหลักการเหล่าดีพระเจ้าก็ประมองมาสอนในแนวที่ให้เรียนรู้ถึงความจริงแล้วแก้ไขปัญหาที่ตัวเองให้ได้ในเบื้องตน้น ทรงจะได้แสดงไว้โดยอนเนกเกสรยายแม้จะในัยยะต่างๆมากมายยังไงก็ตามแต่สรุปนั้นคือเรียนรู้ความจริงให้เห็นตามความเป็นจริงแต่ความเป็นจริงที่เราศึกษาเรียนรู้ก็เรียนรู้กันเป็นโดยลําดับเพราะเราอยู่ตรงกลางความมืดของอวิชชาเหตการณของกิเลส ท, ที่แรงครอบงาใจเราก็คือความรู้สึกว่าเราเป็นตัวเป็นตน แล้วก็มีความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโ น, น้นจาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเพื่อตอบสนองความต้องการของเราใจคนจึงทายไปด้วยแรงของตัณหามานติทิจใจที่สายไปด้วยอานาจของตัณหานั้นก็คือใจที่ก่อให้เกิดความคล่ความปรารถนาความปอใจ คอยคว้าสวงหาสิ่งเหล่านั้นมาตอบสนองความต้องการของตนตามกระแสของกิเลสประเภทโลภะประเภทราคะประเภทตัณหาส่วนความรู้สึกของตัว ต, วตนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถึงสังเกตว่าจะมีทั้งอาการโลภะตางอาการของโทสะแต่ใครยอมรับนับถือสถานะของเร า, าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้มีการยกย่องเราก็เพเลิดเพลินชื่นชมยินดีมีความปิติประโมท แต่ว่าต้องการการยอมรับนักตือที่แพร่กระายขยายออกไปโดยลำดับพอไปเกิดสะดุดก็ตรงใดตรงหนึ่งคือคนไม่ยอมรับนถตือสถานะของเราที่เรารู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โทสะก็เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าใจเรามีโมขะหรือมีอวิชชาปิดบังเอาไว้ในความไม่ตัวเป็นตนก็จะมีความรู้สึกอย่างนั้นคอยกระทบตนไม่ได้ เราก็ต้อตนแล้วจะเกิดปัญหาทันทีทาไปทํามาว่าตนอยู่ที่ไหนก็ชักจะยุ่งเหบือนกันว่าไม่รู้ว่าตนคืออะไรเพราะนั่แไงความเป็นจริงแล้วมันก็ไม่มีทั้งของเราจริงๆทั้งเป็นเราจริงๆริงและทั้งเป็นตัวตนของเราจริงๆเป็นเดบเวอร์มีการกร่อคุมประชุมกันข้าวก็มีการสมมติบัญญัติกันว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้น แต่พอแยกแยะแล้วมันก็สักแต่วัาฏะแยกออกแล้วก็เป็นอนุเป็นปรมณูก็หาความเป็นตนเป็นของตนเป็นตัวเป็นตนไปได้แต่จุดนั้นเป็นจุดสูงสุดการจะมองเข้าถึงตรงนั้นแล้วสงบความคิดเดอมนาฏของตานามานาทิจิได้เป็นเรื่องใหญ่เป็นงานระดับพระอารหาหัน ตอนก็ส่งสอนในแนวพื้นฐานที่ทราบกันโดยทั่วไปก็คือแนวของศีลสมาธิปัญญาต้องสังเกตว่าแนวของศีลก็คือแก่การแนวยอมรับนับถือสถานภาพต่างๆที่มันมีอยู่เป็นอยู่ในแง่ของสมมติสัจจะยอมรับสถานภาพของคนของชีวิตความเป็นคนความเป็นสัตว์เพราะในแง่ของปารามัตแล้วความเป็นคนเป็นสัตว์มันไม่มี แต่ชั้นศีลเป็นเรื่องของสมวติสัจจะก็ต้องยอมรับความเป็นคนเป็นสัตว์ะมีการปฏิบัติสํารวมระวังไม่ลุ้อำนาจแก่โรโลภพาโทสะโมหะมากเกินไปจนถึงไปละเมิดสิทธิในชีวิตของบุคคลอื่นาการกระทำก้อนตนเองหรือใช้บุคคลอื่นกระทำถ้าทำได้ขนาดนี้เอาสองระดับ มันก็กเกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสู่การเบียดเบียนแข็นค่าทำลายล้างการก็สงบลงไปเป็นข้อปฏิบัติระดับศีลธรรมจัญญาซึ่งต้องอาศัยสติสัมปัญญาความเพียรพยายามระดับหนึ่งยอมรับในสิทธิทางด้านทรัพย์สินของบุคคลทั้งหลายที่จริงความเป็นของเราดริยอำนาจตัณหาที่กล่าวไว้ในต ตอนตนไม่มีโดยสภาพที่แท้จริงสภาพของปรมัติ์แต่ก็มีอย่างแท้จริงในสภาพของสมมุติวันชันสินอย่างเป็นชั้นสมมติก็ยอมรับสถานภาพของความเป็นทรัพย์ความเป็นเจ้าของทรัพย์ไม่ล่วงเกินทรัพย์และไม่ล่วงเกินเจ้าของทรัพย์ตั้งด้วยทําเองแล้วก็ใช้บุคคนอื่นทำสิทธิในทรัพย์สินก็รับการคุ้มครองต่อกัน ปัญหาที่เราพูดเราปรารบกันคือพูดเมื่อไหรมันก็ถูกเมื่อนั้นที่พูดว่าความไม่ปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินมันไม่ใช่ปัญหาเดียวนี้มันเป็นปัญหาโลกรัฐบาลทุกรัฐบาลในโลกนี้ไม่ว่าบ้านเมืองจะปกครองโดยระบบอะไรก็ตามก็มุ่งให้เกิดสวัสดิภาพในชีวิตในทรัพย์สินของบุคคลทั้งหลายภายในชาติ บุคคลทั้งหลายนั้นอยู่ท่ามกลางความไม่มั่นใจในชีวิตและทรัพย์สินเพราะไม่ค่อยจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินปณหาทาวลตรงนี้แทนที่จะไปแก้โดยการมีคณะบุคคลขึ้นมาจับกลุมคุมขังคนอื่นมาลงโทษเมื่อแก้โดยการสร้างจิตสํานึกขึ้นภายในใจของบุคคลแต่ละคนที่เรียกว่าให้มีวินัยภายในตัวเองไม่ต้องให้มีใครมาคุม มีความสนับมีความรับผิดชอบชอบมีการศึกษาสำเนียกเรียนรู้ทั้งความจริงว่าชีวิตใครใครก็รักใครก็ทะนุถนอมวงแขนไม่ต้องการให้มีการละเมิดเราก็สำรวมระวังไว้ไม่ไปละเมิดทรัพย์สินใครใครก็รักใครก็หวงแขนไม่ต้องการระมิดเราก็สำรวมระวังตัวเองไม่ไปล่วงระเมิดคนอื่นเป็นเรื่องคนแต่ละคน ที่เสริมสร้างปัญญาขึ้นมาซึ่งก็หมายความการขจัดโมหะลงไปได้ระดับหนึ่งเมื่อโมหะขจัดลงไปได้ก็เกิดการสัมรวมระวังแสดงว่าไม่รู้อำนาจเก่ความโรคความโกรธจนถึงไปละเมิดสิทธิในชีวิตทรัพย์สินของบุคคลอื่นถามยังโรคยังโกรธยังหลงอยู่ไหมก็บอกว่ายังโรคยังโกรธยังหลงอยู่แต่ก็ไม่ถึงกระทำตนให้เป็นพิษเป็นภยนัยดังกล่าว ในเรื่องประเวณีเชื้อสายเป็นการสืบสายสกุลวงศ์ของมนุษยชาติมีความเป็นครอบเป็นครัวเป็นเอกภาพเป็นการอยู่ร่วมกันฉันสามีพันยาชั้นครอบครัวฉันสกุลวงศ์ของบุคคลทางใดทุกคนทุกคนมีความรู้สึกภาคภูมิที่จะอยู่โดยปกติสุขในลักษณะนั้น <c oughs> ก็ตั้งใจสํารวมระวังไม่ไปทําความแตกแยกให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวของเขา มีความสับสนในการสืบสายตระกูลวงโดยการล่วงละเมิดทางประเวณีแล้วก็ไม่กระับสนุนส่งเสริมให้คนอื่นเขาทำอย่างนั้นแต่ยิ่งน่าภายในใจของบุคคล น, นั้นบรรเทาการมราคะที่แรงลงไปแต่ก่อนจะเกิดการบรรเทาการมราคะนั้นปัญญาได้เกิดขึ้นมาก่อนปัญญาก็ไปลดความมืดบอดของเหตุผลสติปัญญาที่อาศัยวิชาสร้างขึ้น เป็นความคิดเห็นระดับที่เ ร, เรียกว่าทำตนเองเป็นอุ ป, ปมาหรือกติไใยที่ผู้รับใจเข้าใจเราการบัทับสำรวจตรงนี้ทั้งหมดเป็นการควบคุมอาการของความโลภความโกรธไว้ไม่ให้ออกมาทางกายกับทางวาจาคือไม่ออกมาโดยการทําเองแล้วก็ใช้ผู้บุคคลอื่นทำํำ เป็นความสงบระงับระดับศีลศีลบานระดับจึงไม่ใช่เป็นเรื่องของบาปบุญอะไรแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตัวเองต้องการแก้ปัญหาภายในจิตตัวเองเพื่อจิตนั้นเป็นฐานที่จะรองรับการก้าวไปขั้นหนึ่งของสมาธิจิตดังนั้นเราจะเห็นว่าศีลทั้ง5ประการ เป็นการแก้ปัญหาภายในสังคมสรุปรวมแล้วก็คือเรื่องความไม่ปลอดภัยในชีวิตได้ทรัพย์สินที่เป็นปัญหาทาวรในสังคมของสัตว์โลกทุกยุคทุกสมัยในการปฏิบัติระดับศีลข้อต่อไปชั้นต่อๆไปแสดงให้เห็นในการพยายามลดราคาพยายามลดโทสะพยายามลดโมหะลงไป แทนที่จะไปคุมเฉพาะอาการทางกายทางวัชจากก็ต้องการคุมให้มันลึกกว่านั้นคือคุมให้เข้าไปถึงใจที่อาศัยแรงกระตุ้นจากข้างนอกแล้วก็นำไปสู่ความยินดียินร้ายเพราะเ็ตมาศีลแปดประการที่จริงแล้วไม่ใช่บาปสากล การรับประทานอาหารตอนเย็นก็ดีการดูพรั่นรำกับร้องระโคมลุนซีดีสีทีเปล่าต่างๆก็ดีการประดับประดาร่างกายด้วยระเบียบดอกไม้ของของเริงยอมเพลิงถากก็ดีการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ภายในมีนุ่นและสมัมฤทเครื่องราชวิจิตรงดงามก็ดีนั่นมันไม่ใช่บาปสากรในอะไรแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ท่านเรียกว่าเป็นปณิติวัชากคือมีโทษตามบทบัญญัติของพระวิในัยในพระพุทธศาสนา เพราะอะไรเระสิ่งเหล่านั้นจะเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นให้เกิดความยินดียินร้ายขึ้นภายในใจคนเป็นการเพิ่มปริมาณของกิเลสแต่ก็ถึงจุดหนึ่งก็าอาจจะออกมาทางกายทางวัฏจากรก็ไปกลายเป็นการละเมิดศีลห้าข้อข้างต้นโดยเฉพาะศีลสี่ข้อข้างต้นแต่ตัวเน้นจริงๆก็คือเน้นที่ตัวกรร ม, มาราคะ เพราะพอเป็นศีลแปดนั้นศีลข้อที่สามเป็นอภัรรมเป็นการสัมรวมระวังไม่มีเพศสัมพันธ์ซึ่งศีลห้านั้นมีเพศสัมพันธ์ได้แต่ว่าศีลแปดนั้นมีไม่ได้เพราะอะไรเพราะต้องการจะเดินไปสู่สมาธิสมาธินั้นเป็นตัวปฏิปักษต่อการมฉันหมายความท่าน้ายังเกี่ยวข้องมีเพศสัมพันธ์อยู่ใจจะสงบไม่ได้ ในเพื่อตัด ก, กระแสความรู้สึกเหล่านี้พระเจ้าก็ส่งบัญญัติสีแปดขึ้นมาไม่บริโภคอาหารในเวลาการเพิ่มปริมาณอาหารมากเกินไปเพราะจะเป็นการกระตุ้นความรู้สึกความต้องการในทางเพศให้สูงขึ้นเป็นการบรรเทาตันหาราคาที่เรียกเรียกย่งหนึ่งว่าเป็นชีวิตพรหมจหรรย์คือการใช้ชีวิตที่รเริ การก็นำกับร้องพระโขนงนรีก็มีลักษณะอย่างนั้นคือเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความรักความช่งความหลงให้เรานังเกตว่าเวลาการดูการแสดงอะไรก็ตามถ้าจิตใจของบุคคลอ่อนไหวไปตามแล้วมันก็เข้าไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งใจจะแปรผันไปตามบทบาทที่มีการแสดงอยู่ในขณะนั้นเพราะงั้นในการแสดงนั้นเป็นการสะท้อนอารมณ์ ความโรคความโกรธความร่มความลิษยาอาฆาตความแข็งดีการต่อสู้ประหารประหานกันก็แสดงที่ไหนก็เมื่อนั้นทุกทีมักจะสะท้อนพฤติกรรมในทางลบเพราะการแสดงที่จะโน้มนำจิตใจของบุคคลในอ่อนโยนจนถึงก็สงบเย็นนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นกิจกรรมแสดงก็ล้มละลายไม่มีคนไปดูการแสดงจึงต้องมุ่งสนองตันหาราคาของคน จะก่อให้เกิดความยินดียินร้ายที่แรงกว่าปกติเพราะมีการกระตุ้นมาจากข้างนอกก็ตัดกระแสตรงนี้ออกไปการประดับร่างกายให้เกิดความสวยงามก็เป็นเช่นเดียวกันเพราะราคานั้นอาจจะเกิดที่ตนแล้วก็เอื้อมไปถึงคนอื่นหรือกาวจะคนอื่นแลเอื้อมมาตอบสนองความต้องการของตนแต่สรุปแล้วก็คือว่าเป็นการเพิ่มกิเลสต่อกันก็มุ่งที่จะตัดกระแสตรงนี้ออกไป เราจะเห็นว่าอาการของธรรมะที่เป็นอุปการะต่อการปฏิบัติกรรมฐานเมื่อจะเป็นเรื่องของสติก็ดีความเพียรก็ดีสัมปชัญญะหรือปัญญาก็ดีนั้นเพิ่มปริมาณขึ้นทําให้การรักษาสีมีความประณีตขึ้นการนอนบนที่นอนสูงใหญ่ก็มีลักษณะอย่างนั้นคือให้กายได้รับความสะดวกสบายเกินไป ใจจะแล่นไปสู่อารมณ์ที่ตัวคลายตัวปรารถนาเพิ่มขึ้นแลน้วในทีสุดมันก็กลายเป็นการเพิ่มกิเลสตนาราคาทะนั้นนั้นแนวอายตนปะปะพะที่พูดกันมาเป็นเวลานา น, านโดยหลักการจริงๆก็คือต้องการให้รู้เท่าทันต่ออารมณ์เมื่อตาเห็นรูปเป็นต้นให้ดูที่จิตเราเอง ว่า ม, มีกิเลสข้อใดข้อหนึ่งเกิดขึ้นหรือไม่การเกิดของกิเลสไม่ได้เจาะจงว่าเกิดขึ้นตามลำดับที่ท่านเรียงเอาไว้การเรียงนั้นเป็นตัวพิมพ์มันก็ต้องมีการเรียงการพูดเราก็พูดด้ทีละคำมันก็เรียงลำดับเหมือนกันแต่การเกิดภายในจิตคนที่จึงไม่ใช่เกิดไม่ได้เกิดตามลาดับอย่างนั้น มันเกิดตามพื้นฐานการกําหนดของจิตในแต่ละขณะจิตใครก็จิตคนนั้นอย่างเราเห็นรูปอย่างเดียวกันความรู้สึกของคนแม้ในสายของความรักก็มีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันสายของความชังก็มีความยิ่งความหย่อนแตกต่างกันแต่ตามปกติแล้วมักจะเห็นไม่ตรงกัน เราจะเห็นเป็นภาพของความขัดแยง้งการถกเฉียงการนำิปปลายการคัดค้านการโ ต, โต้ตอบเอาก็จริงแล้วความดีสากลที่ยอมรับสากลมันไม่มีเพราะคนไปใช้อารมณ์หาข้อยุติไม่ได้ใครจะทำอะไรให้ดีพิเศษยังไงสวยงามยังไงก็ตามแต่จะต้องมีคนติจนได้ นั้นแสดงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เป็นที่รักใคร่ปรารถนาพอใจเสมอไปหรือว่าเป็นที่เกียดแค้นจริงชังเสมอไปมันขึ้นอยู่กับลักษณะของอารมณ์คนที่มีความรู้สึกต่อสิ่งเหล่านั้นดูตัวอย่างง่ายๆว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดปราศจากอาสวะกิเลสเครื่องศสมองทั้งหลายตลอดพระชนมาชีพของพระองค์ หลังจากการสัตรุปพระองค์ไม่ทะเลาะ ก, กับโลกไม่ยื้อแย่งอะไรกับโลกแต่ชาวโลกก็ทะเลาะ ก, กับพระองค์เป็นจำนวนมากการกระทำซึ่งเราเห็นว่าดีแต่ว่ามองอีกมุมหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งมองว่าตัวเองสูญเสียผลประโยชน์หรือเป็นการทำลายผลประโยชน์ของตัวเอง เราจะเห็นภาพของความขัดแยงที่ว่าลูกชายต้องการจะบวชแม่ไม่ยอมให้บวชการบวชนั้นเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าลูกชายมองการบวชเป็นเรื่องหนึ่งแม่มองการบวชอีกเป็นเรื่องหนึ่งแล้วอาจจะมองไปกระทบพระพุทธเจ้าหาว่าไปแยกลูกไว้พรากลูกเขา อ, ออกไปเรายังพ่ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดขึ้น บ, บ่อย บาลูกชายต้องมีการประท้วงเช่นประธานาธบดีพระสุชินเป็นต้นพระสุนทรสมุทรมีอยู่หลายท่านที่เกิดแต่าเลื่อมใสในพุทธส า, าแล้วต้องการจะบวชแม่ไม่ยอมให้บวชลูกชายประท้วงอดอาหารถ้าแม่ไม่ยอมให้บวชก็จะอดอาหารให้ตายไปแม่ก็ยอมเพราะกลูกจะตายแต่นั้นเองแต่ไม่ได้ยอมจริงพอลูกบวชเรียบร้อยก็ตามล่าต้องการให้ลูกศึก มีวิธีการคลึกแปรงมากมายหลายประกาศที่ก็ใช้กันเวลากันเป็นปีๆเสียงเงินเสียทองไปจํานวนมากมีคนเป็นว่าชื่นชมต่อการบวชของพระโลกใจแต่คนที่ใกล้ชิดที่สุดบางก็ไปคัดค้านขัดขวา่างดังนั้นความแตกต่างตรงนี้จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวของสิ่งนั้นแต่อยู่ที่ความรู้สึกต่อสิ่งนั้น ที่คนเรามีพื้นฐานแตกต่างกันเพราะอารมณ์ที่มากระทบทางประสาทสัมผัสความต้องกาจึงไม่อยู่ที่ตัวอารมณ์แต่ว่าอยู่ที่จิตสำนึกของคนที่มีความรับรู้อารมณ์แล้วคิดยังไงในกรรมาฐานที่ท่านเรียงเอาไว้เป็นรูปสมถะกรรมาฐานและวิปัสสนากรรมาฐานนั้นให้คำตอบเราได้อย่างดีว่าจริงๆแล้วท่านสอน ให้มองอารมณ์เหล่านั้นว่าเรามองอย่างไงแทนที่ว่ามันเป็นอะไรมันคงเป็นอย่างที่มันเป็นแต่ว่าจิตใจเราในขณะมองนั้นเรามีความรู้สึกต่อสิ่งนั้นอย่างไงในแนวของพระพุทธเจ้านั้นมองให้การยอมรับนับถือสิทธิในสิ่งเหล่านั้นนั่นคือการมองระดับศีลไม่เป็นการรุ่งระเมศ และในการบัติศินนั่นเองบางตอนเนี่ยมันเป็นอาการทั้งธรรมะทั้งศีลเช่นนอกจากเราสำรวมระวังไม่ล่วงเกินสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอื่นแล้วเขาทำทรัพย์สินตกไว้เราเก็บไปให้เขาไม่อยู่ที่บ้านเราช่วยดูแลบ้างให้นั้นแสดงว่านับใจนั้นได้ อบเอื้ออริออกไปกลายเป็นการอบอุ้มดูแลช่วยเหลือกู้กันแสดงเห็นว่ากิเลสประเภทโลภะมันลดลงไปเวทโทสะก็ลดลงไปประเภทโมหะก็ลดลงไปแต่พอถึงระดับสมาธินั้นเป็นการอาศัยประโยชน์จากสิ่งนั้นและสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็ได้ อารมณ์กังกระมฐานจึงมีอยู่ทุกขนทุกแห่งทุกส่วนของร่างกายเรามีเป็นอารมณ์กังกระมาฐานทั้งนั้นตั้งแต่ปลายผมตั้งปลายเล็บปลายผมตั้งปลายเล็บเท้าทุกส่วนของหนังทุกส่วนของขนทุกส่วนของร่างกายเราเป็นอารมณ์กัรมาฐานได้ทั้งนั้นถ้ามองให้งสงบสำนวนบาลีท่านเรียกว่าอารามนูปนิชฌานคือเพ่งดูให้จิตนิ่งอยู่กับสิ่งเล่านั้น นิ่งลงอยู่กับลมหายใจเข้าออกนิ่งอยู่กับปลายจมูกนิ่งอยู่กับตรงใดตรงหนึ่งของร่างกายที่จริงอะไรก็ได้ส่วนใดก็ได้แต่จิตมันส ง, งบไปมันดิ่งเพราะเนื้อหาของคำว่าสมาธินั้นไม่ได้อยู่ที่รูปแบบแต่อยู่ที่ผลที่ปรากฏภายในจิตว่าจิตส ง, งบจากนิวรณ์หรือไม่ถ้าส ง, งบมันก็เป็นสมาธิ แม้จะมีรูปแบบรู้วิจิตพิสดารยังไงก็ตามแต่ภายในจิตใจคุกกลุ่นไปด้วยราคะคุกกลุ่นไปด้วยพระคุกกุ่มไปด้วยความปรารถนาะมันก็ไม่เป็นสมาธิเพราะในความเป็นสมาธินั้นจะต้องไม่มีความรู้สึกในทํานองกามฉันแต่าภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะที่อยู่ตรงกันข้ามคล้ายๆกับเย็นจะต้องไม่ร้อนๆอนจะต้องไม่เย็น เย็นด้วยร้อนด้วยมันมีได้แต่คนละขนากันแต่ขณะเดียวกันในจุดเดียวกันนั้นเย็นด้วยร้อนด้วยมันก็มีไม่ได้เพียงแต่ว่าขนามันเร็วบางครั้งเรานึกว่ามีได้โดยกันแต่ที่จริงมันมีไม่ได้ฐานะให้เป็นขนาดพ้นวิธีการทางสมาธิจึงเป็นการส ง, งบ ป, ปริการเพิ่มปริมาณของกิเลส ตับางครั้งนั่นเรียกว่าเป็นการสยบคล้ายๆกับอะไรคล้ายๆกับสัตว์ตัวเท่าเดิมเราก็จับไปตัวไม่ได้เล็กลงแต่ว่ามันทําพิษทำภัยอะไรกับใครไม่ได้อาการของสมาธิจึงเป็นการสยบ ก, กิเลสเอาไว้หมายความว่ า, า ก, กิเลสใหม่ไม่เพิ่มขึน้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ า, า ก, กิเลสเก่าหมดไป เพียงแต่ว่าสยบไว่ทาให้มันสงบอาการของโลภของโกรธของหลงไม่ปรากฏภายในจิตส่วนปัจจัยให้กระตุ้นให้เกิดความสงบจะเป็นรูปก็ได้เสียงก็ได้กลิกก่นก็ได้รสก็ได้สัมผัสก็ได้หรืออารมณ์ที่นํามาเหนียวนึกก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วท่านจะใช้ตาหูใจนี่เป็นหลักหมายความว่าใช้ตาดูหรือว่าหลับตา ไปใช้ได้สองทางดูด้วยตาแนวก็สินหลับตาแนวที่อาศัยความสงบแล้วก็เหนียวนึกจึกนึกไปใช้ใจไปหลักแนวหูฟังก็คือฟังปรธรรมเทศนาสิ่งที่เราฟังนั้นที่จริงถ้าภูมิจิตเราสูงพอฟังอะไรก็ได้เช่นเดียวกันแต่ให้จิตมันสงบในส่วนหนึ่งที่สำคัญคือจิต ให้จิตนิ่งจับอยู่กับเรื่องใดก็ตามมองใบไม้มองกระแสน้ามองสายลมมองสสงแสงแดดมองพยับเมฆมองเมฆมองดินมองอะไรก็ได้เห็นความสงบเกิดขึ้นภายในจิตสิ่งนั้นเป็นตัวนอกเป็นตัวเกาะของจิตให้จิตมีการส่งตัวได้ไม่แกวง่ง แล้วก็เพิ่มปริมาณความสงบให้แก่จิตการบัชยนั้นมันก็กลายเป็นเรื่องของสมาธิ่อาต่นนี้ไปขอให้ตั้งใจตั้งความสงบสืบต่อไป